ก็นี่ไปได้รอบโลกทั่วโลกท่านนี้ก็อยู่ต่างประเทศก็ดูได้ยานี้เหมือนกับเป็นเป็นประเทศเดียวกันอยู่ใกล้ชิดกันติดต่อกันได้อย่างไ่ายดายรวดเร็ว อยากจะถามอะไรไหมไม่ม mm ีนะเกิดมาทําไมรู้ไหมเดี๋ยอยากจะรู้ไหมว่าเกิดมาทําไมหรือว่าทำไมถึงต้องมาเกิดอะไรกันเหตุทำให้เรามาเกิดกันแล้วเกิดแล้วเรามาทําอะไรกัน ถามแล้วเวลาตายไปเราไปไหนกัน mm. อันนี้เคยถามตัวเองัอ้างไหมเคยแล้วได้คำตอบไหมก็ยังยัไม่เจอที่แทจริงก็อ้าวอะไรทำให้เรามาเกิดอ่ะแล้วอะไรเป็นเราอ่ะรู้จักตัวเราอ่ะตัวเราเป็นใคร ตัวเราเป็นร่างกายนี้เหรอหรือว่าเราเป็นเป็นตัวที่มามามาครอบครองร่างกายนี้มาสิงร่างกายนี้รเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ถ้าร่างกายนี้เป็นตัวเราแล้วเวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องตายไปกับร่างกายใช่ไหมถ้าเราตายไปกับร่างกายแล้วเราเรามามาเกิดได้ยังไง ร, ร่างกายนี้มันเพิ่งมาเกิดตอนที่มีพ่อมีแม่ตอนที่ยังไม่มีพ่อไม่มีแม่ร่างกายนี้ก็ไม่มี แล้วเราก็ไม่มีเรื่องเรายังมีอยู่แล้วพอมาเกิดแล้วทำไงดีเกิดแล้วก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก่อนอย่างนันพอมีร่างกายก็ต้องหากิน หาที่อยู่หาที่กินกันอะไรว่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันไปพอกินอิ่มแล้วก็อยากจะหาที่เล่นน ะ, อ, ะอยากจะดูอยากจะฟังนู่นฟังนี่อยากจะ่ไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่นวนความอยากเที่ยวนี้ไม่ต้องมีใครสอนนะ เปิดมาก็อยากจะเที่ยวกันทุกค น, นเวลาได้ออกจากบ้านนี้ดีใจไงเวลาอยู่บ้านล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับถูกขังอยู่ในกรงพอได้ออกจากบ้านก็ดีออกดีใจมีความสุขกัน เราก็เลยต้องออกออกจากบ้านไปเรื่อยจะมาอยู่บ้านก็ตอนที่เราเหนื่อยต้องพักผ่อนหลับนอนเป็นเหมือนรังนกะบ้านเรานี้เป็นเหมือนรังนกเราก็เป็นเหมือนนกพอเวลาเช้าขึ้นมาก็ออกจากรังไปไปหากินหาอะไรกัน แล้วก็ไปหาความสุขกันทางตาหูจมูกเน้นกายเราก็ทำอย่างนี้มาทุกวันหากินหาอยู่แล้วก็หาความสนุกเพลิดเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วพอร่างกายแก่ลงก็เริ่มจะไปไม่ไหว แล้วพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วพอตายไปก็หมดชีวิตของพวกเราก็มีถ้าเท่านี้เองเท่าที่เรามองเห็นกันพอร่างกายหมดก็เลยไม่รู้ว่ามีเราต่อไปหรือเปล่า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 ก็คิดดูตอนที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับก็เหมือนกับเราไม่มีร่างกายใช่หมแต่เลาเรานอนหลับนี่เรารู้ไม่ว่าร่างกายเราอยู่ตรงไหนแ ต, แต่เราไม่ได้หายไปกับตอนที่เราหลับใช่ไหมเราหลับนี่เรายังฝันได้อยู่ใช่ไห เราไม่ต้องมีร่างกายเราก็สามารถที่จะทําอะไรได้ผ่านทางฝันใช่ไหมไอ้เราฝันนี่เราก็ฝันว่าเราไปทํานู่นทํานี่กันเนี่ยตัวที่ฝันกับตัวที่นอนหลับคือร่างกายนี้มันคนละตัวกันไอ้ตัวที่ฝันเนี่แหละที่เป็นตัวที่มา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 าชาติหลายภาษาชาตินี้ได้เป็นชาติไทยภาษาไทยชาติหน้าจะได้เป็นฝรั่งก็ได้เป็นอังกกันก็ได้เป็นอาหรับก็ได้เป็นจีนก็ได้เป็นญี่ปุ่นก็ได้หรือถ้าทําบาก็ไปได้ร่างกายของนกของ ของกาของสุนัขของแมวของวัวของควายก็ได้นี่คือร่างกายต่างๆที่พวกเรามีกันมาในอดีต ท, ที่ต้องไปได้ร่างกายของสุนัขของแมวของอะไรนี้ก็เป็นเพราะว่าเราเคยไปทำบาปมา เราก็เลยต้องไปรับร่างกายของของสุนัขของแมวของวัวของควายแล้วพอเราชดใช้บาปไปแล้วเราก็กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปึ้นใหม่มาทำบุญทําบาปกันใหม่ม พอเวลาร่างกายตายไปก็เหมือนเวลาเรานอนหลับเราก็ฝันไปไปกับความฝันถ้าบุญเป็นถ้าบุญเป็นตัวพาไปก็จะฝันดีฝันว่าไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปถ้าฝันร้ายถ้าถ้าบาปพาไปก็พาไปฝันร้ายพาไปเจอกับเรื่องราววุ่นวายาต่างๆ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 ร่างกายของมนุษย์ก็อยู่แบบมนุษย์ไปพอไม่มีร่างกายเรื่องที่ไม่มีร่างกายก็ฝันไปฝันดีก็ดีไปฝันดีก็มีความสุขฝันไม่ดีก็มีแต่ความทุกข์นี่คือตัวตัวตั ว, ต, วตัวเราตัวพวกเราอยู่ที่ตัวคิดเนี่ย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 ยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากดื่มอยากรับประทานอยู่อ่ะถ้าอยากก็ต้องมีร่างกายช่วงที่ไม่มีร่างกาย ก, ก็ก็อยากก็อยากในความฝันเวลานอนหลับแล้วก็ฝันว่าเราไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราอยากทำกันก็ทำโดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย ถ้าฝันดีได้อะไรตามความอยากก็เป็นความสุขถ้าฝันไม่ดีได้อะไรไม่ได้ไม่ได้ดังใจอยากได้แต่ของไม่ดีก็ฝันลายก็เป็นอบายเป็นนรกบ้างเป็นเปรดบ้าง เนี่ยตัวรู้ตัวคิดตัวเรานี่มันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนไปตามบุญตามบาปที่เราทำกันถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปเราก็จะเป็นเทพกันถ้าทำบุญด้วยการนั่งสมาธิเราก็จะเป็นพรหมกันถ้าทำบาปไม่ได้ทำบุญ เราก็จะไปเป็นเดลฉ า, านกนันเป็นเปรตกันนั่งตามสบายนะนั่งตรงไหนได้ก็นั่งเห็นไหมร่างกายต่อไปก็เป็นอย่างนี้ของพวกเราก็เหมือนกัน เดีวก็ไม่นานก็เป็นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ร่างกายวันนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนพวกเราเนะ่ยให้มองร่างกายไว้เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจออกไปร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้เป็นตัวเรามา มันเป็นเพียงตัวรับใช้เราเราเป็นคนใช้ให้มันพาเราไปไหนมาไหนตอนนี้มันยังแข็งแรงอยู่ต่อไปมันก็ต้องแก่ลงไปต้องเจ็บต้องป่วยแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปแต่เรา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 ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราถอนออกมาถอยออกมาให้มองร่างกายของเราเหมือนกับเราล่างมองร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักนี่เราเดือดร้อนไหมเวลาร่างกายเขาเป็นอะไรเวลาร่างกายเขาแก่เราก็ไม่เดือดร้อนเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อน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 เพราะเราต้องพึ่งมันเพราะเราต้องใช้ร่างกายนี้ไปทำอะไรต่างๆเวลาเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องใช้ร่างกายนี้พาไปที่เราไปเที่ยวกันนี้ไปทำอะไรไปหาความสุขกันใช่ไหมถ้าร่างกายไม่เจ็บไายได้ป่วยก็ไปไม่ได้ถ้าร่างกายชราภาพเดินไม่ไหวก็ไปไม่ได้ เราเลยต้องวิตกวุ่นวายไปกับร่างกายเพราะเร า, เราอาศัยร่างกายหาความสุขให้กับเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมาสอนพวกเราว่าต่อไปนี้เราควรจะเลิกใช้ร่างกายหาความสุขกั น, นมาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ทดลองแล้ว ว่าดีกว่าการใช้ร่างกาย <Yeah. S 1> การจะาความสุขนี่ยไม่ต้องใช้ร่างกายก็นั่งเฉยๆอย่างเนี้แล้วก็หลับตา <Yeah. S 1> แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่ไปคิดอะไรอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้เดี๋ยวใจก็จะมีความสุขขึ้นมาพอใจหยุดคิดใจหยุดปรุงแต่ง หยุดทำอะไรต่างๆใจก็จะมีความสุขขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราก็สามารถทำใจให้มีความสุขได้พอเรามีความสุขจากการทำใจให้สงบแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราก็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 เราต้องมาเรียนจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องหยุดความคิดทาใจให้นิ่งเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ถ้ามันวิ่งมันไม่ปลอดภัยแต่ถ้ามันจอดนี่มันปลอดภัยเวลารถยนต์วิ่งนี่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมันก็ได้มันจะไปชนกันก็ได้จะไปเพลิดเพลิที่ไหนก็ได้ ไปตกเคลก็ได้แต่เวลารเจอะนี้มันปลอดภัยอันใดใจของเราคิดแล้วก็เกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆขึ้นมาที่เราวุ่นวายใจกันนั้นก็เกิดจากความคิดของเราคิดถึงความแก่ก็วุ่นวายใจนะคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็วุ่นวายใจคิดถึงความตายก็วุ่นวายใจ ถึงเวลาที่เราต้องพัดพากจากคน น, นั้นคนนี้สิ่งนั้นสิน่งนี้เราก็ไม่สบายใจกันที่เราสบายใจกันตอนนี้ก็เพราะเราไม่ไปคิดถึงมันกันเราจึงไม่อยากจะคิดถึงความแก่ไม่อยากจะคิดถึงความเจ็บไม่อยากจะคิดถึงความตายไม่อยากจะคิดถึงการพัดพากจากกันแต่การไม่คิดนี้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 มาเปลี่ยนที่พึ่งม า, มาพึ่งใจพึ่งธรรมะที่จะทำให้ใจมีความสงบพึ่งสติหันมาฝึกสติกันหันมาควบคุมความคิดกันพยายามหยุดคิดกันแล้วก็ถ้าจะคิดกันมันคิดไปในทางที่มันทำให้เราไม่วุ่นวายใจ ถ้าคิดเปในทางที่วุ่นวายใจก็หยุดมันตอนตอนนี้มันเราต้องหยุดมันเพราะส่วนใหญ่เราคิดไปในทางวุ่นวายใจทางนั้นเราคิดเป็นอันนั้นต์คิดว่าร่างกายเป็นของเราเป็นตัวเราคิดอยากให้ร่างกายอไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดอย่างนี้แล้วมันจะทําให้เราไม่สบายใจเพราะเรา กรู้กันเห็นกันอยู่ว่าเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนดังในเบื้องต้นเรามาหยุดความคิดที่ไม่ดีก่อนอใช้พุทโธพุทโธหยุดความคิดต่างๆวันๆหนึ่งอย่าไปคิดอะไรให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปจะคิดก็เฉพาะเรื่องจําเป็นที่ต้องคิดเช่นเรื่องงานการ เวลาเราทำงานเราก็ต้องใช้ความคิดหลัง น, นั้นก็ปล่อยมันคิดไปแต่พอมันไปคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่คิดอยากจะอยู่ไปนานๆคิดอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราต้องหยุดควางคิดเหล่านี้เพราะมันจะทำให้เราต้องผิดหวังไม่มีใครไม่แก่หรอกไม่มีใครไม่เจ็บไม่มีใครไม่ตาย เวลาอยากไม่แก่พอแก่ก็จะผิดหวังเวลาอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะผิดหวังพอตายก็จะผิดหวังก็จะทุกข์กันเสียใจกันถ้าจะคิดต้องคิดตามความเป็นจริงคิดว่าเดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องแก่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายแล้ว ถ้าคิดอย่างนี้เราไม่ผิดหวังเอจะสมหวังือพวกเราทุกคนต้องการความสมหวังกันไม่ใหญ่นะต้องการความสุขความสมหวังก็คิดตามความจริงสิต่อไปเราก็ได้แก่แน่ๆต่อไปก็ได้เจ็บค่ายได้ป่วยแน่ๆอยากจะเป็นโรคอะไรคิดไปเลยเอาเมะเร็งดีไหมเอาโรคหัวใจดีไหมเลือกเอา ได้แน่ๆของที่ได้แน่ๆกับไม่เอากันเจ้าแปลวาของที่ไม่ได้กันนะให้หัดมาควบคุมใจเบื้องต้นให้หยุดความคิดก่อนเพราะหยุดความคิดแล้วเราจะได้มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องพึ่งร่างกายพอเราไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วทีนี้เราก็ดูความจริงของร่างกายว่ามัน มันจะแก่ไหมมันมันจะแก่หรือไม่แก่มันจะเจ็บหรือไม่เจ็บมันจะตายหรือไม่ตายดูมันเลยเอดูให้มันเห็นชัดๆเลยเมื่อเราไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วเราไม่เดือดร้อนะมันจะแก่ก็แก่ไปเลยมันจะเจ็บก็เจ็บไปมันจะตายก็ตายไปตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะเรายังต้องพึ่งมันอยู่เอถ้ามันแก่เราทําอะไรไม่ได้แล้วเห็นไหมอย่างกุญยาที่เดินเข้ามานี้ ทำอะไรได้ล่ะแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายมันเราไม่เห็นเดือดร้อนเนี่ยเราก็หยุดความคิดทําใจให้สงบเราก็มีความสุขได้ก็ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านสบายอยู่บ้านพุทโธพุทโธไป <Yeah. S 1> เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนบนเตียงก็พุทโธพุทโธไป <Yeah. S 1> เวลาจะตายก็พุทโธพุทโธไป <Yeah. S 1> ไม่ต้องใช้ร่างกาย ต่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่ทุกไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย <c oughs> เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งแล้วเรามีที่พึ่งใหม่ที่ดีกว่าเรามีใจเป็นที่พึ่งเรามีธรรมะที่ทำใจให้สงบเป็นที่พึ่งธรรมะก็คือพุทโธนี่แหละํำเดียวเนี่ย ว, วิเศษมีคุณค่าราคามากกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้าน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 มาสร้างพุโทโธเนี่ยวันวันหนึ่งหัดท่องพุโทโธพุโทโธไปให้มากๆบ่อยๆ อ, ยอ่วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่ให้คิดอย่างนี้เรากําลังพุโทโธกันอยู่หรือเปล่าลองทําดูซิลองทําพุโทโธสักชั่วโมงหนูก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องทำวันนะ่ะ ลองใช้เวลาสักชั่วโมงเนี้ยชั่วโมงนี้จะแทนที่จะดูทีวีดูละครก็ดูพุโทโธแทนไปลองนั่งท่องพุโทโธไปสักชั่วโมงดูเลยถ้าทําได้แล้วใจจะเย็นจะสบายมันจะมีความสุขมันมันไม่น่าจะยากเลยนะแค่ท่องพุโทโธคําเดียวเนี่ยนั่งดูทีวีมันนั่งดูได้เป็นชั่วโมงนั่งเล่นไพ่นั่งเล่เป็นทั้งคืน อขอให้พุทโธแค่ชั่วโมงเดียวทำไมอย่าทำไม่ได้ลองทําดูซิขอชั่วโมงเดียวเท่านั้นอันไหนว่างๆไม่รู้จะทําอะไรก็อ่ะน้อนนั่งท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเหนื่อยก็พักเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวพอพอจะคิดก็ค่อยพุทโธถ้าพุทโธถ้ามันไม่คิดก็หยู่พุทโธก็ได้ พอใจไม่คิดถึงอะไรก็หยุดพุดโธไปก็ได้ไม่ต้องพุดโธตลอดทั้งชั่วโมงหรอกพูดโธเฉพาะวันรมันจะคิดถึงถึงถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงขนมน ม, นมเนยคิดถึงกาฟ่กาแฟอะไรพวกเนี้ยก็หยุดมันเพราะถ้าปล่อยให้มันคิดแล้วเดี๋ยวมันจะอยากเดี๋ยวก็อยากกินกาแฟอยากดื่มกาแฟอยากกินขนมกัน นะของดีจริงๆและก็ของง่ายไม่ใช่ยากยินตรงไหนเด็กก็พูดได้หนูพูดพุดโทโธได้ไหมฮะง่ายกว่าไปก่อไก่ขอไขอ่ก่อไก่ขอไข่นี่มีต้องหลายตัวใช่ไหมพุโทโธมีแค่ตัวเดียวนี้พุโทโธพุโทโธไปลองทําดูรับรองได้ว่าจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะพบกับอะไรที่ไม่เคยพบมาก่อน ของดีๆของมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินร้อยล้านพันล้านอยู่ที่พุโทโธนี่แหละลองท่องกันดูพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจจะเย็นใจจะสบายแล้วต่อไปก็จะมีความยินดีที่จะพุโทโธมากขึ้นไม่ต้องใช้เงิน ไปเที่ยวนี่ต้องใช้เงินใช่ไหมเวลาไม่มีเงินก็เที่ยวไม่ได้แล้วเวลาไม่มีเงินเที่ยวก็ลองใช้พุโทโธแทนเลยลองนั่งหลับตาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นอะไรจะมากระทบทางตาหูจมูกดิ้นกายหรือทางความคิดก็อย่าไปสนใจให้เกาะอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไป ถ้าทำได้ใจจะเย็นใจสงบพอหยุดคิดแล้วมันจะมีความสุขเราจะรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบายใจแล้วเราจะรู้ว่าต่อไปนี้เราไม่มีเงินเราก็มีความสุขได้แลวมีความสุขดีกว่าการใช้เงินทองด้วยซ้ำไปใช้เงินทองหมดก็ต้องไปหาเงินมาใช้ต่ออีก เวลาหาเงินนี่มันสนุกไหมมันสุขหรือทุกเวลาหาเงินกันถึงมีวันหยุดใช้เงินกันไงวันหาเงินนี้ไม่เคยมีใครอยากจะไปทำงานกันแต่จำเป็นต้องไปเพราะไม่ทำก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีเงินใช้แต่พอหาเงินมาได้เท่ า, านี้ต้องหยุดใช้เงินก่อนแล้วใช่ ใช้หมันหมดก่อนหมดแล้วก็ไปหาใหม่แล้วพอร่างกายหาไม่ไหวทํางานไม่ไหวแล้วจะหาเงินที่ไหนมาใช้ล่ะ ล, ลองใช้พุโทโธดีกว่านะอ่านี่พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นใครสามารถต้องพุโทโธพุโทโธได้เนี่ยจะมีความสุข ลองสักชั่วโมงหนึ่งก็กได้ถึ่งน้นั่งท่องพุโทโธสักช่วโมงได้มะถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้ามันคิดก็ต้องพุโทโธอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเพรคิดแล้วเนี่ยมันอยากมันจะอยากไปหาขนมนมเนยอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นมันมพออยากแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขละ นั่งเวลานั่งก็นั่งสบายก็ได้ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิไม่ต้องนั่งพับเพียมหาเก้าอี้มานั่งแล้วก็นั่งท่องพุทโธไปชั่วโมงเดียวอย่าให้ไปคิดอะไรให้คิดอยู่กับพุทโธเปียอย่างเดียวเราจะเห็นความแตกต่างภายในใจของเราขึ้นมาเลยใจที่วุ่นวายใจที่อวิตกกังวลอะไรต่างๆนี้มันจะหายไปหมด ขึ้นมาข้างบนก็ได้นะข้างบนมีที่ว่างนี่ข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้วันนี้ฝนฟ้าอากาศมันมืดค้นทางบ้านก็อย่าบ่นว่ามันมืดนะว่ามันเป็นธรรมชาตินะมันมืดไม่เป็นไรเราขอให้เสียงมันชัดก็แล้วกันก็เราฟังเสียงกัน ภาพมันก็เหมือนกันนะดูมาทุกวันมันก็คนเดียวกันหน้าตาเดียวกันฟังเสียงกันช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนของภาคตะวันออกตะวันออกนี้จะมามีฝนมากช่วงตุลา มีเกือบทุกวันนะมีแค่เดือนเดียวเนะที่นี่ส่วนใหญ่ฝนจะตกมากช่วงเดือนตุลานี่เดือนเดียวเ mm hmm. ล่านั้นก็จะตกแบบเดือนเดือนละครั้งสองครั้งกจะมีมาบ้างแต่ถ้าจะตกแบบประจำเกือบทุกวันนี้ก็เป็นช่วงตุลานี่อากาศมันก็เลยมืดครึ้ม เพราะข้างบนเราไม่มีไฟฟ้าเราไม่มีไฟแต่ก็ไม่จำเป็นอะไรเพราะเราไม่ได้ดูภาพกันเราฟังเสียงกันเสียงธรรมฟังเรื่องการการหาความสุขที่เราจะสามารถหาได้ตลอดเวลา คือความสุขทางใจหาได้ตลอดเวลาไม่ว่ารวยหรือจนก็หาได้แม้ว่าใหญ่หรือเล็กก็หาได้แม้ว่าจะจะแก่หรือหนุ่มก็หาได้จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นจะตายก็หาได้ขอให้เรามีพุโทโธตอนนั้นนะ่ะ ขอให้เรารู้จักใช้พุทโธเท่านั้นเองเราพูดภาษาเรายังพูดกันได้เนี่ยพูดอะไรนี่พูดใจ้ยาวเหยียดเลยทำไมพูดพุทโธอย่างเดียวพูดไม่ได้หัดท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจให้มันเป็นนิสัยเวลาไปคิดเรื่องไม่ดีก็หยุดมันพุทโธพุทโธไป เวลาโกรธใครเนี่ยก็อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปลับรองได้ห้านาทีสิบนาทีก็หายโกรธนะเวล<ภ>า โ, โลภอยากได้อะไรก็พุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวก็หายโลภ<ม>ถ้าจะให้หายหลงต้องก็ต้องมองความจริงมองว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามองว่า ของที่เราพึ่งอยู่ตอนนี้เป็นของชั่วคราวพึ่งไม่ได้นั่งกายก็พึ่งไม่ได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็พึ่งไม่ได้สามีภรรยาก็พึ่งไม่ได้เพรทุกคนเดี๋ยวก็ต้องมีวันพัภาคจากกันต้องมีวันแก่วันเจ็บวันตาย mm hmm. ให้มองความจริงให้คิดตามความเป็นจริง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 ต้องพึ่งคําสรรเสริญเยินยอยกย่องต้องพึ่งเสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต้องพึ่งร่างกายเพราะการจะหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็หาไม่ได้ก็ต้องพึ่งร่างกายแต่ของพวกนี้มันพึ่งไม่ได้ตลอดนะสิเงินทางบางเวลาก็มีบางเวลาก็ไม่มี มีมาก็มีไปได้ตำแหน่งก็มีขึ้นมีลงได้มีเปลี่ยนไปได้มีหมดไปได้คาสำรรเสริญก็กลายเป็นคำตำหนินินทาว่าด่าว่าก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้รูปที่ดีก็กลายเป็นรูปไม่ดีไปเสียงที่ดีก็กลายเป็นเสียงที่ไม่ดีไป กลิ่นที่ดีก็กลายเป็นกลิ่นที่ไม่ดีไปกลิ่นอาหารเวลาอยู่ในจานก็เป็นอย่างห น, นึ่งเวลาไปอยู่ในซุ้มก็กลายเป็นกลิ่นอีกอย่างมันก็กลิ่นเหมือนกันเราไปชอบกลิ่นที่ดีพอไปเจอกลิ่นที่ไม่ดีก็ไม่ชอบขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรถมันก็เปลี่ยนไปอย่ากดีกลายเป็นไม่ดี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 เพิ่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาก็คือความสุขจากการบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธไปลองทําดูสักชั่วโมงนะึ่งดูแว่าจะเป็นยังไงนั่งเฉยๆหลับตาไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งก้นอี้ก็ได้นั่งแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพอใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจจะสบายขึ้นทันที เคยโกรธใครก็จะลืมไปเคยเกลียดใครก็จะลืมไปเวลาอยู่กับพุทธโธมันจะลืมทุกอย่างเพราะมันไม่ได้ไปคิดถึงมันนั่นเองพอไปคิดถึงเรื่องที่เราเกลียดก็ทำให้เราไม่สบายใจพอเราหยุดคิดเราก็จะหายหจากความไม่สบายใจยความสบายใจไม่สบายใจเกิดจากความคิดของเราเอง เราจึงต้องมาควบคุมความคิดอยา่าให้มันไปคิดในทางที่ทําให้เราไม่สบายใจให้มันคิดในทางที่ทําให้เราสบายใจให้มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้าเบื่อพุทโธก็เปลี่ยนเป็นธรรมังสารนังกฉามิก็ได้เป็นธรมโมก็ได้สังโคก็ได้หรือพุทธังสารนังกฉามิธรรมังสารนังกฉามิสังขังสารนังกฉามิไปก็ได้ เปลี่ยนบ้างก็ได้ถ้าเบื่อพุโทโธให้คิดอยู่กับเรื่องเังนี้ให้คิดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แคนี้เราใจเราจะมีความสุขจะสบายใจจะสุขใจนะลองไปทำกันดูนะถ้าไม่ทำก็จะไม่รู้สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นทำของพุทธเจ้านี้ต้องออกไปปฏิบัติ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 แล้วก็ไปซื้อมาพอซื้อมาแล้วก็จะเห็นได้ของจริงที่พระเจ้าสอนเนี่ยพวกเราทํานี้ก็เป็นเหมือนการโฆษณาเราถ้าต้องการได้สินค้าที่พระเจ้าขายเราก็ต้องไปซื้อการซื้อสินค้าก็ไม่ต้องใช้เงินเพียงแต่เอาไปปฏิบัติเท่านั้นเองเอาไปคิดเอาไปพุโทโธกันเอาไปท่องพุโทโธพุโทโธกัน รับรองว่าทําได้ถ้าไม่มีความรู้สึกที่ดีขึ้นก็มาเอาเงินคืนไปเล ย, ยงเงินที่บอยจาคนี่เอาไปคืนไปหมดเลยถ้าหาว่าเราโกหกหลอกลวงแล้วต่อไปจะไม่ต้องใช้เงินเวลาอยากจะมีความสุขก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดีย ว, ยวใจก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้ว แล้วเป็นความสุขที่สะอาดไม่มีพิษนีภัยความสุขจากการดื่มโซดาเดี๋ยวก็ต้องไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายความสุขจากการกินขนมนมเนยเดี๋ยวก็เกิดโรคเบาหวานโรคความดันกันแตะความสุขที่เกิดจากการท่องพุโทโธพุธโทโธนี้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่ต้องเสียเงินเสียทอง อะไรจะดีกว่า น, นี้ไม่มีแล้วในโลกนี้พุทโธนี่ดีที่สุดแล้วแต่กลับไม่เอากันยาเอาของไม่ดีกันยาเอาของที่เป็นพิษกันกินแล้วก็เป็นโรคมะเร็งกันกินแล้วก็เป็นโรคพิษสุรากินรื้อสูบแล้วก็กลายเป็นโรคถุงถุงป่งพองขึ้นมาเนี่ยพวกเรากำลังไปหายาพิษกันไปกินสารพิษกัน กินแล้วก็เป็นมะเร็งกันของที่ไม่เป็นมะเร็งไม่เอากันพุโทโธพุโทโธนี่แสนจะดีแสนจะวิเศษไม่ต้องเสียเงินเสียถองไม่ต้องแย่งกันไม่เหมือนกับสินค้าต่างๆนี้อันไหนนะค่ะถ้ามีน้อยเนี่ยแย่งกันเลยบางทีเหยียบกันชนละมุนเังไงเวลาไปแย่งซื้อสินค้ากันเวลาเขาลดราคากัน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 ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเห็นมไหมคนบางคนไปซื้อรถยนต์มาซื้อมาแล้วก็เจอแต่ปัญหาต้องเอาเข้าอู่อยู่เลยสามวันดีสี่วันไข่จะขอเปลี่ยนรถใหม่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้บางทีต้องเอาไปทุบรถเลยนะสุขแร้วไม่สุขแล้วทุกกันที่ว่าซื้อรถใหม่แล้วจะมีความสุขแล้วต้องมาทุบรถกันให้วุ่นวายทำไม เพราะของมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่ถาวรที่เหมือนเดิมของทุกอย่างที่เราได้มานี้มันจะมีแต่เร็วลงไปเรื่อยเสื่อมลงไปเรื่อยไม่มีวันที่จะดีขึ้นกว่าเดิมไม่มีของทุกอย่างที่เราได้มานี้ ม, นมีแต่จะเร็วลงไปเรื่อยเพ ร, ร า, าะลลราฉะนั้นอย่าไปหาอะไรเลยในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง มีอย่างเดียวที่ไม่เป็นอย่างนี้มีแต่จะดีขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆก็คือพุโทโธเนี่ยถ้าทำพุโทโธไปใหม่ๆก็ดีแค่นี้พอทำต่อไปก็จะดีมากขึ้นไปสองเท่าสามเท่าสี่เท่าถ้าเราทำเก่งทาได้ทั้งวันนี่โอ้มันก็พุโทโธมันก็ได้ความสุขไปทั้งวันเลยต่อไปก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้านะสุขไปทั้งวันยี่บสี่ชั่วโมงไม่มีวันหยุดวันหย่อน แล้วไม่มีวันหมดร่างกายนี้ตายไปความสุขในใจก็ยังมีอยู่ต่อไปพระพุทธเจ้ายังอยู่กับความสุขปรมังสุขขังอยู่เนี่ยบรมมาสุขเพราะใจของพระพุทธเจ้าไม่มีวันตายเหมือนเก่าใจของพวกเราแต่ใจของพวกเรามันมีแต่บรมมาทุกข์เพราะเราไปหาของเป็นพิษมาให้ใจเรานั่นเองไปหาของที่มาทำให้เราเสียความรู้สึกกัน ทุกอย่างแะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือคนได้แฟนมาก็สุขดีใหม่ๆแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์เสียความรู้สึกกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะเดี๋ยวก็มีความเห็นไม่ตรงกันแล้วเดี๋ยวก็จากกันนั้นอย่าไปหาเลยเลยของต่างๆในโลกนี้มันจะต้องทำให้เราเกิดความเสียความรู้สึกขึ้นมาไม่ช้าก็เร็ว และอาจจะทำให้เราถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายก็ได้ถ้าเสียความรู้สึกมากๆนี้ก็จะไม่อยากอยู่อยู่แล้วไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะอยู่ไปทำไมนี่เป็นผลของการที่เราไปหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราถ้าเราหาพุทโธนี้เรารับรองได้จะไม่มีโทษเหล่านี้ตามมาจะมีแต่ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนสุขไปตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง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 ขอให้ทดลองแค่ชั่วโมงหนึ่งก่อนลองสินค้าเนี่ยขอให้ไปทดลองสินค้านี่ชั่วโมงก่อนก็แล้วกันแล้วถ้าไม่ดีก็มาเอาคืนมาเอาเงินคืนไปทํไาไว้หน้ามาเท่าไหร่เดี๋ยวมาเอามากคืนกว่าที่เอาไปไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> แต่รับรองหนา้าไม่ไม่มีใครจะมาเอาคืนหรอกเพราะสินค้านี้เป็นของแท้ของจริงได้รับการพิสูจน์มาอย่างโชคชนแล้ว พรอรหันตสาวกทั้งหลายนี่เป็นผู้พิสูจน์สินค้าของพระเจ้ามาแล้วว่าเออเป็นของแท้ของจริงไม่มีใครมาไม่มีพระอรหันตองคไหนมาบอกว่าพระเจ้านี้โกหกเลยไม่มีใครมาบอกว่าธรรมของพระเจ้านี้เป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงไม่มีเลยพ้าอรหนทุกรูปนี้จะมาเาแต่รับรองว่านี้ของแท้ของจริงมีอย่างเดียวในโลกนี้เท่านั้นคือคำสอนของพระเจ้า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 ให้ผลเหมือนกั น, นไม่ต้องลังเลสงสัยขอให้รีบเอาไปปฏิบัติกันเพราะเวลาของเรานี้ไม่แน่นอนเราจะตายกันเมื่อไหร่เราไม่รู้เดีย๋ยวเราตายไปเราก็จะไม่มีโอกาสได้มาทดลองสินค้าอันวิเศษก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวะเรวะหาปุราปริเรปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมห um ังกิปเมวะสัมิจโตสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติ ราโสยถาสภิติโยวิวัจานตุสัพพโรโควินสศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิตศะนิจังุทธาปจายโนจตารุธรมมวัฏันติอายุวันุสุขัง ลใครอยากจะนำหนังสือซีดีก็หยิบไปได้นะแล้วใครอยากจะเอาเข้าวของมาประเคนถวายก็เข้ามาได้นะวันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะสี่ร้อยคสี่ร้อยยูทู <500. S 1> ก็สามสิบสี่สิบ เ <c oughs> ข้าวเฟรนดูกคงยังง่ายกว่าพทุกคนมีบัญชีฮะ <c oughs> อยู่กรุงเทยังอยู่กับท่านวัชรินใช่ไ่มอยู่ด้วยกันนะสบายดีนะเราอยากจะถวายนามันก็ถวายได้นะอ่ะเดี๋ยวลระ วางไว้ตรงนี้กันแล้วกันนะวางไว้สาธุอยย า, ยายุเท่าไหร่นะยี <c oughs> ่สิบหล <c oughs> แล้วครับห้นะก็อายุมากกว่าพระเจ้าลแล้วล่ะกำไรแล้วนะ <c oughs> กานหนัง ส, สือ c ีดีก็หยิบได้นะกลับมาเลยอ่าตัวการหน้ามาใหม่ไม่ได้มากับพวกก้อนแก่นใช่ไหมก่มมอนเราพวกนะี้มาคนเดียวแล้ววันนี้วันนี้มา หยิบหั้งสือซีดีได้น ะ, ะน้องกาหยิบเลยได้เลยครับเกตรงขาก่อนอืมอะซเปอร์แมนมาแล้วนะชุเปอร์แมนมาแล้ว แมนทำไมหออเองไม่ได้เป็นไงซูเปอร์แมนอ่าอ่าทุกจ้าอ่าทุกอ่าทาตาคุณแม่อ่าทุกแบบคุณแม่ ถ้าเป็นซองไว้ตรงนั้นเลยมาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพเลยครับอ้อชื่อซูเปอร์แมนใช่ไหมครับชื่อซูเปอร์แมนใช่ไห ม, อ, ม <laughs> อยากจะหอบไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวหยิบหนังสือซีดีได้นะถ้าต้องการ นนาการซนะื้อซีดีก็แชนหยิบมานอกจากอาภารก็ยังเศรกิจสมุดคระเ้าเศรษฐกิจค่ะเศรษิกิจมีแผนกไหนอ่ะเปิ ด, น, ด น, น, น, น, น, น้องพว้ไปคะ่ะไปการเพียบบังาปการพียบบังแดงเสือเรอเ็วเลยอ่า อย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเนี่ยครับแรกเริ่มเนี่ยต้องอยู่ที่ฐานจิตก่อนเลยป่ะครับลูืไม่อยู่ทำ บ, บริกรรมเนละและแล้วอย่างนี้อย่างนี้จิตจิตเรากับพุทโธเนี่ยเดี๋ยมันจะรวมกันมั น, ม น, นบอยเหรอเดี๋ยวพุทโธกับจิตตัวรู้ก็จะรวมกันอตอนตอนนี้มันยังอยู่คนละที่กันอยู่ ค, คือคื อ, คอมีอาจอารย์ค้ดท่านบอกว่าเอกขตารมเนี่ยคือจิตอยู่ใน รูปเป็นหลักเลยครับรูปเวทนา ส, สัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดพุตโธเนี่ยจิตเราก็หยู่ในแค่อยู่ในสังขารไม่ได้อยู่ในในรูปหรือเ่าครับมันอยู่สังขารไงพออยู่สังขารมันก็จะกลับเข้าไปในในตัวรูปครับอนันนี้ตัวสังขารมันทําให้จิตออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเราคิดเราคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรส เราก็ใช้พุทโธเดินขับเข้ามาเพราะฉะนั้นเราบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ตรงไหนก็ได้อที่อยู่ในกายหรือเปล่าไม่ต้องอยู่ที่คําพูดนั่นแหละอยู่ที่คําพูดไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่คําว่าพุทโธนะให้รู้อยู่กับคําพุทโธพุทโธอไม่ต้องไปอยู่ตรงลมไม่ต้องไปอยู่ตรงท้องไม่ต้องไปอยู่ตรงไหนอแล้วลมหายใจก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจอยู่คำบริกรรมเหมือนเราคุยกันนี่ยเราอยู่ตรงไหนเวลาเราคุยกันนี่เราก็อยู่ที่ความคิดใช่ไหม อพุโทโธมันก็เป็นความคิดแล้วก็อยู่กับพุโทโธไปนัฮะอย่าให้อย่าไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นเองอเพราะความคิดเรื่องอื่นมันจะเดิงให้ใจออกข้างนอกครับถ้าคิดอยู่พุโทโธมันจะเดิงให้กลับเข้าข้างในมีนจังหวะนักสมาธิไปเรื่อยๆเราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเยนี่ยต้องพุโทโธให้คำบริกรรมมันหายไปเองไหมครับหรือว่ามันไม่หายหรอกถ้าเราหยุดมันก็หายเราก็ต้องพุทโธไปมันจะหายก็ต่อเมื่อมันตกลุมตกบ่อ แต่มันตกลุมตกบ่อแล้วมันก็หายไปมันก็จะนิ่งเพราะฉะนั้นก็คือเกาะคำใบเล็กคำพูดโธไม่ว่าอยู่ตรงไหนเรเกาะไปเรื่อยๆถ้ายังพูดโทรได้ต้องพูดโทรไปออย่าไปคิดว่าให้เราตกลุมตกบ่อแล้วมันไม่ถ้ามันมันจะตกมันตกเองแล้วมันจะรู้เองว่ามันไม่พูดโธแล้วงนั้นมันหยุดกึกเลยมือนลดเบรกนี้คือตราบที่เราเนึ้อพูดโธได้ก็เนื้อไปเรื่อยๆเนื้อไปเรื่อยๆเนื่องว่าถ้าเราอยากจะหยุดแล้วถ้าเราไม่คิดอะไรก็พัก พูดโทรไว้ก่อนก็ได้พอมันจะคิดแล้วก็พูดโทรใหม่ก็ได้เออเราต้องการคุมความคิดเท่านั้นเองแม้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอพอคิดแล้วมันจะเกิดอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมาแล้วมันจะไม่สงบพอไม่คิดแล้วมันก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขเราต้องการไ ม, ไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรในร่าง ก, กายไม่มีไ ม, ไม่อันนั้นอีกขั้นหนึ่งนั่นวิปัสสนาขั้นนี้ขั้นแรกนี้ต้องการให้ใจหยุดคิดเท่านั้นเองค ต้องการสมะถะต้องการความสงบต้องการความนิ่งคนละคนละขั้นตอนกันขั้นตอนที่สองนี่หลังจากจิตนิ่งมีมีพลังแล้วค่อยไปคิดทางปัญญาครับคิดว่านั่งกายนี้น่าเกลียดไม่น่าดูอย่างนี้อนนคิดขั้นต่อไปคนละภาคถ้าเป็นโรงเรียนก็ชั้นประถมกับชั้นมัธยมให้เรียนจบให้ประถมก่อนแล้วค่อยไปขึ้นชั้นมัธยม ก็ ค, คือตอนนี้เราพูดโทไปเรื่อยๆอทาําใจให้รวมให้ได้ก่อนให้จิตสงบก่อนให้สักแต่ว่ารู้เป็นเอกคัระตาลมให้ได้ก่อนเอพอจิตเอพิตสงบมีความสุขแล้วทีนี้ก็สามารถพิจารณาความจริงได้อ่ามันจะได้เองรู้ด้วยตัวของตัวเองเลยะปะ่าครับมันก็ต้องมีคนสอนเพราะมันถ้ามันถึงขั้นต่อไปถ้าไม่บอกมันก็ไม่ไปในเรียนหนังสือมันต้องมีคอยครูคอยแนะนํำ ขั้นต้นงานให้เรียนกอไก่ขอไขไปก่อนอพอท่องกอไก่ได้แล้วก็มาหัดสะกดจระอะจระอาต้องมีคนสอนเป็นขั้นๆไปแต่ตอนนี้เราเรียนกันละสิบขั้นพร้อมกันแล้วเราก็เลยเอามาปนกันไปหมดข้าอย่างนี้เวลาเรียนมาเรียนสิบขั้นแล้วก็มาปนเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติปนกันไปหมดมันก็เลยไม่ได้เรื่องทั้งอย่างเข้าใจไหมตอนต้นต้องมาหัดกอไก่ขอไขก่อนตอนตั้นมาหัดพูดโทก่อน อ่าพุโทโธเราทำจิตให้มันนิ่งให้มันหยุดคิดก่อนให้มันกึ๊กเงิบไปแล้วตกวุบลงไป market, ตอนนั้นมันก็จะหยุดพุโทโธเองถ้ามันยังไม่หยุดแล้วก็พุโทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องหยุดไม่ต้องพุโทโธก็ได้ลองดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้าเราหยุดพุโทโธมันไม่คิดแล้วก็อยู่กับความว่างของจิตอยู่กับความไม่คิดไปพอมันคิดก็พุโทโธหน่อยคอยเบรคเบรความคิดไว้เรื่อยๆเหมือนรถอ่ะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ขยับเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรค พอมันเริ่มขยับเราก็เหยียบเบรคไปตอนนี้รถมันกําลังวิ่งอยู่แล้วเราก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันพอมันหยุดแล้วเราก็หยุดพุทโธไว้ก่อนก็ได้ถ้ามันยังไม่รวมก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่คิดเราก็หยุดพุทโธได้พอมันเริ่มคิดเราก็พุทโธใหม่สู้กํามังไปสู้กับความคิดไปต่อไปเราจะได้ควบคุมความคิดได้อืออือ ง่ายอย่าตายไปไหมทำให้มันยากย <c oughs> <c oughs> ไปหน่ <c oughs> อยมีใครอยากจะถามอะไรมไหมเรากำหนดรู้ในพุทธคุณเก่ากับการโาวนาว่าอุทโธเนี่ยอภิษฎองค์จะ้ต่างกันอย่างไรเรื่องการสืบเนื่องนะครับ คือการรู้พระพุทธคุณต้องรู้ความหมายไม่ใช่รู้แต่คาสวดรู้คแปลรู้คหมายถ้ารู้ความหมายเราก็จะรู้จักพระพุทธเจ้าดีขึ้นเราจะได้มีศรัทธาที่มากขึ้นจะทำให้เรามีความมั่นใจต่อการปฏิบัติได้มากขึ้นดันั้นการการที่เรารู้จักพระพุทธเจ้านี้จะทำให้เรามีศรัทธาในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่เวลาภาวนาจริงๆเนี่ยมันใช้วิธีไหนก็ได้ขอให้เราหยุดความคิดให้ได้เราจะใช้พุทธโธอย่างเดียวก็ได้ซึ่งการใช้อะไรอย่างเดียวมันจะมันจะมันจะดีกว่าเพราะถ้าเราใช้พุทธคุณเนี่มันจะยงต้องคิดอยู่ไย ม, มันใช้ความคิดไปกับพุทธคุณก้าุ้งกา น, นะครับก<อ>้าวคุ้งานมากผมก็จะเล่นพุทธคุณกาเลยก็ทำให้หายได้ใช่ไหมถ้าหายได้ก็ใช้ไป ใา้ไปแล้วพอหายฟุ้งแล้วก็ลองลองลองเพ่งดูลมเฉยๆก็ได้หรือพุโทโธอย่างเดียวก็ได้อ่าคืออยากจะให้มันนิ่งซะก่อนอย่าเพิ่งไปกาหนดอะไรอยากให้จิตมันนิ่งเฉยๆอยู่อยู่เฉยๆโดยไม่มีความคิดเป็นเวลายาวๆให้ได้ก่อนเน้นนั่งเฉยๆแล้วไม่คิดอะไรสบายอกสบายใจเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นไปก่อน แล้วใครมากําหนดรู้อะไรต่างๆเพราะถ้าเราไปกําหนดรู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไรู้เรื่องนี้เรื่องอีหนูเรื่องเองินเรื่องทองขึ้นมามันก็มันก็ไม่นิ่งแนละ้วออมันก็แล้วแต่นะ <c oughs> มันรู้แล้วมันต้องทําได้ท่านทาไม่ได้ก็อย่าไปรู้เหมือน รู้ปฏิจั ส, สมุทบาทนี่รู้เพื่ออะไรรู้เป่านั่นเหตุเราหยุดมันได้เปล่าอ่ะพอทำได้ครับทยังไงอ่ะก็ถงว่าเราโกรธใรนี่เราเราเห็นเราได้ยินไม่ได้ฟังในอศายะตนะอ่าสิบสองนี่อ่าเป็นเหตุครับอ่าแล้วแล้วทาไมเป็นเหตุอ่าเราเราหยุดค ว, วามโกรธได้ป่าก็ทุเราครับอ่า มันก็ต้องหยุดแท้ได้เนยถ้าจะรู้ว่าพราะมันเป็นธรรมดาของรูปกระทํำแระการเลยอย่างนี้ครับก็เลยต้องมีไม่พอแะครับก็เลยต้องหยุดเออการทาไปเป้าหมายก็คือให้หยุดความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากในที่สุดก็ต้องมาหยุดความอยากให้หมดเนีอยยังอยา ก, กรูปเสียงกลิ่นรสอยูรือเปล่า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 ยกเข้าปากก่อนแล้วค่อยวางเลยเทเข้าปากก่อนแล้วถ้อย <c oughs> <c oughs> ่างั้นก็อย่าไปดูเสียเวลาเลย <c oughs> มันดูแล้วปั๊บต้องทิกมันต้องทุบขวดเหล้าทิ้งได้ทุบทิ้งไปเลยถ้ามีเหล้าอยู่ในขวดก็เทมันออกไปเททิ้งไปเลยมีบุหรี่อยู่ในกระเป๋าก็เอามาโยนทิ้งไปเลยอย่างี้ อย่างเงี้ยปฏิจจส ม, มุปบาทต้องเป็นแบบนี้เข้า <c oughs> ใจไหมมีภระระยาก็ยกให้คนอื่นไปเลย <c oughs> ไม่ปไปไดก็แนละ้วแต่เขาไม่เอาก็ให้ <c oughs> เขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาแต่เราไม่เอาแล้วเราเราเห็นว่าเขาเป็นทุกข์แล้วอื <c oughs> เราต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เข้าใจไหยปฏิสัส ม, มุปบาทนี่ให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์ <c oughs> ถ้ายังเห็นว่าเป็นสุขเดียว <c oughs> ก็ยังไม่เห็นจริงอยากจะหนีอยู่นะครับคือก็โลแกนผมก็ว่าคิดเองมันเป็นเรื่องของโลกห่างโลกทิ้งโลกเป็นสุขเป็นอิสระจากโลกโดยแท้ก็โรแกนผมก็อย่างนะครับอแต่ก็ยังคําพูดได้แต่การปฏิบัติมีได้แค่นิดๆหน่อยๆ ก็ต้องมีจุดเริ่มต้นนะคิดว่าตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็แล้วกัน เ, เออก็ขอให้ทําให้มากๆจะไปไกล่มันต้องมอไม่ยุไม่อย่าไปดูที่ปฏิจจส ม, มุปบาทเพราะเราไม่มีกํำลังไปเราต้องมาสร้างกําลังอาพุดโทนี่แหละเป็นตัวกําลังถ้าจิตมีพุโทโธแล้วจะมีกําลังทิ้งทุกอย่างได้เพรนั้นคุณข้ามขั้นตอนไปคุณไปดูเห็นทุกเห็นอะไรแล้วแต่คุณไม่มีกําลังที่จะทิ้งมัน ไม่มีกําลังเหมือนทอาหารเนี่ยเขาบอกแล้วว่าฆ่าศึกศัตรูอยู่ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยแต่ก็ไม่คุณกินข้าวแล้วส่งคุณออกไปสู้เนี่สู้เข้าไหวไหมต้องกินข้าวก่อนใช่ไหมกินข้าวพักผ่อนหลับนอนกินอาหารเตรมอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมพอบอกฆ่าศึกัตรูอยู่ตรงนู้นตรงนี้ไปเลยไปฆ่ามันเลยใช่ต้องมีความกำลังกำลังหยุดความอยากให้ได้ ตอ น, น, นี้มันหยุดไม่ได้มันเห็นทุกอย่างเป็นทุกข์แต่หยุดมันไม่ได้อยากสิ่งไหนก็สิไไ่งไหนก็พยายามให้น้อยลงเอก็ยังเขาว่าพยายามาแสดงว่ามันยังไม่มีกําลังเถ้ามีกําลังมันไม่ต้องพยายามก็ละไปเล ย, ยก็เพราะไม่มีกาลังเลยถึงบอกว่าให้มาสร้างพุทธะอย่าไปดูปฏิจจารให้เสียเวลา ให้มาพุโทโธพุธโทโธหยุดความคิดทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแล้วทีนี้แหละพอเห็นปฏิจจามันก็จะมันก็จะทำได้ข้ามขั้นตอนไปว่าอย่ า, างนั้นทำอย่งนี้ไร้อยปีก็ไม่มีวันทำได้มันก็พยายามอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่มีแรงนาทีเพราะมันไม่มาสร้างกำลังขึ้นมา เหมือนส่งทหารไปลบไม่ให้มันกินข้าวส่งไปทีไรก็แพ้เขาลกเขีย่ต้องอให้มันกินข้าวให้มีมกําลังก่อนสิพอทหารมีกินข้าวมีกําลังแล้วก็ไปสู้กับเขาได้ใจของเราตอนนี้ไม่มีกําลังไปสู้กิเลสได้ไห น, <c oughs> นกาลังอยู่ที่พุโทโธเนี่ยอยู่ที่สมาธิเล่าพระองค์จะไปท่านจึงบอกว่าให้เข้าเลย ก็เพื่อไปหาความสงบไงแต่มันอยู่ที่ใกล้ๆแฟนลญาใกล้ๆลูกใกล้ๆทีวีมันจะมันจะถูกไอ้พวกนี้ดูดเปหมดไงน้ะเดี๋ยวเห็นตู้ก็อยากจะเปิดดูว่ามีอะไรกินหรือเปล่าเห็นทีวีก็อยากจะเปิดดูว่ามีอะไรดูหรือเปล่าแต่ต้องไปอยู่ที่ไม่มีไงไปอยู่คนเดียวอยู่ไกลๆอยู่ในป่าเนี่ยปีกวิเวกให้ห่างจากรูปเสียงกลิ่นรถ เพื่อจะได้สร้างพลังจิตขึ้นมาดึงจิตให้เข้าข้างในจิตจะมีพลังต่อเมื่อมันเข้าข้างในเข้ามารวมเป็นสมาธิเนี่ยอันนั้นหละเป็นพลังของจิตจะแข็งแกร่งยี่ก้กอนหินเนี่ยมีพลังมากกว่าก้อนหินวการบวดที่บ้านครับบวดที่บ้านหมายถึงถือศีลที่บ้านใหญอ่บวดที่ไหนก็บวดได้ขอให้มันทำให้ได้หรือเปล่าอมัน ท ำ, ทำไม่ใช่ทำแค่วันสองวันทำแล้วต้องทำไปตลอดถ้าทำแค่เฉพาะวันพระอีกหกวันมาทำไม่ไม่บวชนี่นก็บวชไปเสียเวลาเปล่า ม, มันต้องกาารมนเป็คือคำว่าสมาทานก็คือให้เราไปอให้เราหนึ่งให้เราไปถามพระว่าศีลมีอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้ว่ามีศีลมีอะไรก็ต้องไปหาพระไปหาคนที่รู้ พอเรารู้แล้วว่าศีลมีอะไรเราก็ไม่ต้องไปหาพระก็ได้เราอยากจะรักษาศีลเมื่อไหล่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาเลยว่าวันนี้ข้าพระเจ้าจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดตระเวนีโกหกหลอกลวงดื่มสุรายามาวยี่นี้ก็จบละอ๋อไม่ใช่เจตนาคือคือจุดเริ่มต้นของการมีศีนการมีศีลก็คือต้องรักษาเวลาอยากจะฆ่าก็ต้องไม่ฆ่าเวลาจะโกหกก็ไม่โกหก เวลาจะดื่มชุราก็ไม่ดืม่มส้นถึงจะเกิดขึ้นมาอถ้าสมาทานเสร็จกลับบ้านก็เป็นเดื่มชุราเอ๊ะมันก็สมาทานไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสี้อยู่ที่การรักษาไม่ได้อยู่ที่การสมาทานการสมาทานเป็นการเพียงตั้งเป้าตั้งหลักว่าวันนี้จะทําอย่างนี้นะพอถึงเวลาก็ไม่ทํำนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ค น, นี่เขาไม่รู้ว่าศีลมีอะไรเขาก็เลยต้องไปถามพระไปขอศีลจากพระเอาไปขอศีลพระเนี่ยพระองค์นั้นไม่มีศีลนะไม่เกี่ยวกันมันไม่ใช่ศีลใครศีลมันให้กันไม่ได้ไอที่ศีล น, นี่ให้ไปไปถามว่าศีลมีอะไรไปศึกษาไม่ได้ไปขอศีลเหมือนนี่ก็ไปขอเงินขอทองไม่ใช่อย่างนั้นไปขอถามพระที่ไม่มีศีลก็แสดงว่าไม่รู้เสียว่าศีลห้ามมีอะไรบ้าง ใช่ไหมการที่ไปหาพระนี่เหมือนไปหาครูอาจารย์อยากจะรักษาศีลแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างก็ต้องไปถามคนที่รู้พอรู้แล้วเราก็ต้องเอามาทําเองไม่ใช่พอรับศีลจากพระแล้วแสดงว่าเรามีศีลแล้วยังไม่มีออบอกบอกให้รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างท่านต่อไปคุณก็ไปรักษาสิ ต่อยากจะมีศีลก็ต้องรักษาตอนต้นให้ทำที่บ้านก่อนเพราะยังต้องทาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่แต่พอทำไปมากบ่อยๆขึ้นจะเห็นว่าดีก็อยากจะไปทำที่วัดแล้วต่อไปก็จะทิ้งบ้านไปอยู่วัดเลยเพราะการมีศีลนี่มีความสุขมากกว่าการไม่มีศีลเคยคิดว่าการไม่มีอะไร อ่าห <Ừ. S 2> uh, <laughs> ัวขยันะครับอ่ก็ท like ําไม่ท <ữa offenses tanto> ํำนะก็ไ so ม่ม <tecnología> ีก so ําล <more> ังอีกอ่ะใช่ไหมอยากสู้ความอยากไม่ได้ไงเพราะจิตไม่มีพุทโธเนี่ยถ้ามีพุทโธแล้วต่อไปมันก็จะมีกําลังสู้กับความอยากได้นะกลับมาพุทโธดีกว่าเชื่อเถิดอย่าไปปฏิจจ ա สมุาบาทเลยมันไกลขบคุณพุทธศานนี่นะครับเออ เอาข้อไก่ข้อขายให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปสะกดไปเขียนเบอเเอเลยมันก็เลยมันมวยวัดไปรกกับเข้าที่ไรก็แพ้ทุกทีเรียกหมวกบุะครับอ่าก็ถูกถ้าพูดอ่างนี้ก็ถูกไม่ว่าแล้วไม่รู้จะพูดยังไงบอกแล้วเอาเล่นรูปเนี่ย พเอาลูกดื้อไปก่อนเนี่ยพี่โลกกลงก็บอกว่าให้ละครับผมไม่ยอมละไปได้โลกวุ่นกุศลไปโกรธก็โกรธความไม่ดีทั้งหลายหลงหลงในวิชาความรู้ของพระเจ้าเอาแบบนี้ครับผมมันพูดได้ทำได้เปล่าเลยก็เป็นคำพูดครับใครมีปัญญาหยิบยกเอาไปใช้ก็ ออตอนนี้ให้ทางบ้านก็ถามบ้างนะ อ, าอา้าวมาสิเคยฟังพระสูตรเรื่องเจลาสูดนะครับฟังแล้วก็ไม่เข้าใจมากกันินเจเหรอที่เจ <J S 2> ลสูดนี่กินเจหรอใช่ครับ <c oughs> ี่พระพุทธเจ้าตรัถามพระิสูจหนะ์เรื่องไฟไหม้ที่ศรีษะครับอ่าพระพิสูจ ต่างๆก็ก็ตอบว่าควรจะดับไฟหาทางดับไฟครับแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าควรจะนึกถึงอริย ส, สัจสี่่อนเมื่อผมฟังเทศของพระอาจารย์ก็เลยนึกว่าเปรียบเทียบที่พระอาจารย์บอกว่าพอจิตสงบเนี่ยก็จะเห็นพวกตัวอยากขึ้นมาเนียเออก็ไม่ทําตามความอยากเออมันก็เป็นหนึ่งในอริยสัจสีใช่เพราะว่าถ้าเกิดความอยากขึ้นมาแล้เกิดไฟลุกขึ้นมาในใจจะดับไฟในใจก็ต้องดับที่ความอยากครับ ท่านคงเปรียบเทียบ ว, ว่าไฟที่ไหม้ผมนี่เป็นความทุกข์ใจถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจต้องไปดับต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือตั้หาความอยากเป็นเรื่องทุกข์ใจไม่เกี่ยวว่าทุกขางกายอา่าใช่แล้วเรื่องที่สองนะครับก็เอ่อหลังจะได้ศึกษาธรรมะหรือลองฝึก ล, ลองถึงหอเบ้าง ก็เก็บเทียบในตอนวัยเด็กที่เราเรียนอาจารย์สาขาทั้งเรื่องเกี่ยววิทยาศาสตร์ในไรพวกนี้ครับเราก็นึกย้อนไปว่าเช่นที่เขาสอนเรามาให้เรียนเช่นสูตรไอสต่ายมากอะไรอย่าเงี้ยดูแล้วมันเหมือนยิ่งใหญ่ทางโลกนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถดับถูกได้นะครับเอส่วนทางธรรมก็คิดว่าดับได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมาถึงตัวเองเนี่ยอยากจะอธิบายรุ่นเด็กๆหรือรุ่นลูกอย่างเงี้ยะว่าจะรู้ทางโลกก็ได้ทางทางธรรมก็ มาครอบเยื่อทำให้เรีนมากกว่า <c oughs> แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเคยได้ยินในพระสูตรบอกว่าวิชาทั้งโลกต่างๆเช่นการปกครองหรือคณิตศาสตร์นี่อะไรก็แต่มันเป็นเดรฉานวิชา <c oughs> นะครับก็เลยอยากจะให้ปัตติเลนความเมตตาของพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ถึงใจว่าเอ๊ะที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยฮะดูเหมือนยิ่งใหญ่นะครับพลังอะไรเยอะแยะ <c oughs> ค, ครับคันธรรมนะครับมันจะศึกษาหรือว่าเน้นทางด้านไหนนะครับ ก็ความรู้ทางโลกมันก็ทําให้เจริญทางวัตถุไงเนี่ยที่เราเรียนกันมาเพื่อมาสร้างวัตถุกันเพื่อเราจะได้กินอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายไปไหนมาไหนได้สะดวกรวดเร็วอันนี้คือผลที่เราได้จากการมีความรู้ทางโลกมีจรวดมีเครื่องบินมีอะไรต่างๆเนี่ยแต่มันก็ไม่มาทําให้ใจเราหายทุกได้ใจเรากลับไปทุกข์กับมันสิ เดินทางขึ้นเครื่องบินก็กลัวจะตกแล้วนะกลัวจะตกก็ทุกแล้วอยู่บนเครื่องบินก็ทุกข์กแหละแต่ถ้ามีธรรมะนี่มันก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะธรรมะจะสอนว่าการเกิดมาเป็นเรื่องทําเกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาที่ทุกข์เพราะไม่อยากตายกันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ยอมตายเสียพอยอมตายแล้วก็จะไม่ทุกข์ง่ายๆแค่นี้แหละ ตักวันนี้นักวิทยาศาสต ร, ร์ในตอนนี้กําลังรับรางวัลโนเบลกันเนี่ยยังกลัวตายกันนั้นมั้ยถามว่า ก, กลัวตายไหมอยากตายไหมไม่มีใครอยากตายหรอกทุกข์กับความตายไหมทุกข์กันทั้งนั้นอะ่ะพก็ไม่มาศึกษาธรรมะพวกนี้ถ้าศึกษาธรรมะปัจนนี้เขาา้าบรรลุเป็นพระหล่อนกันไปหมดแล้วพวกนี้เก่งจะตายไหมแต่อาวิชากิเลต ม, มันหลอกให้ไปศึกษาเรื่องอื่น แทนที่จะมาศึกษาเรื่องที่เป็นประโยชน์มันกลับเห็นเป็นเรื่องงมงายไปพวกนักวิทยาศาสตร์จะเห็นว่าพวกศาสนานี่เป็นความงมงายเป็นความเชื่องมงายก็เลยไม่สนใจที่มาศึกษาไปศึกษาเรื่องที่เขาพิสูจน์ได้ทางตาหูทางตาหูจนูกจิตใจแต่เรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยใจนี่เขาไม่รู้จักวิธีวิธีที่พิสูจน์เขาก็เลยเขาก็เลยไม่เชื่อ แต่ไอสไตล์ก็ยังเขาก็ยังยอมรับว่าความรู้ของเขานี่คือความรู้ของพระเจ้าไม่ได้ยันความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอด <c oughs> คือไม่รอดพ้นจากความทุกข์แต่ความรู้ทางธรรมนี้ทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ได้ยันสมัยโบราณเขาถึงไม่ต้องไปศึกษา ปริญญ์ปริญญากันเขาเรียนที่วัดเนี่ยปฏิบัติที่วัดครูบาอาจารย์บางลูกนี่ท่านไม่ไจบไม่ได้ไม่ได้เรียนปหนึ่งปสองเท่าด้วยซ้ำไปแต่ท่านกับบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์กันการศึกษาทางธรรมนี่ก็ไม่ต้องใช้หนังสือใช้ปากปากต่อบอกปากบอกกันเหมือนพ่อแม่สอนลูกอย่างนี้ย สอนภาษานี่ที่บ้านต้องมีหนังสือให้ให้ลูกเรียนไหมว่าพูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นพูดยังไง <Yeah. S 1> แล้วก็พูดไปพูดไปเดี๋ยวมันก็ฟังมันก็หัดพูดตามเราไป <Yeah. S 1> สมัยพุทธเจ้าสอนธรรมมาก็ไม่เห็นมีหนังสือท่านก็สอนบอกนี่อริยสัจสี่ <Yeah. S 1> เอาไปเวลาทุกข์ใจก็ไปค้นดูว่ากําลังอยากอะไรอยู่ <Yeah. S 1> พออยากแล้วไม่ได้นังใจก็ทุกข์ <Yeah. S 1> ก็อย่าไปอยากมันสิก็หมดเรื่อง อยากไม่แก่มันแก่เงนี้ยมันก็ทุกข์กันสิถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่เนี่ยแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปตายก็ปล่อยมันตายไปมันก็จะไม่ทุกข์กับมันมง่ายๆคําสอนเจ้านี้เหตุกับผลเดี๋ยวจะให้ทางบ้านก็ถามมัางนะอา่าเข้ามาคำถามจากคุณสุพร ได้ฟังเทพพระอาจารย์ให้ท่องพุโทโธไปเรื่อยๆสักหนึ่งชั่วโมงใม่ทราบว่าให้ท่องในจิตใช่ไหมคะถ้าลืมตาได้หรือเปล่าคะเพราะถ้าปิดตาจะเผลอหลับค่ะก็ปิดตา ม, มันจะดีกว่าเดี๋ยวเปิดตาแล้วเนี๋ยมันก็จะไปคิดตามสิ่งที่เราเห็นอย่าง <c oughs> ถ้าปิดตา ม, มันจะได้ไม่มีเรื่องอะไรมาดึงให้เราไปคิดเนี่ยหลับหลับก็ลุกขึ้นมาเดินเดินพุโทโธก็ได้ เวลาเดินพุโทโธก็อย่าไปมองอะไรให้มองที่เท้ามองที่ทางเดินเดี๋ยวจะเดินไปเหบียบอะไรเข้าให้พุโทโธพุธโทโธไปจำไมนั่งชั่วโมงมันจะหลับทันทีนหรอเวลานั่งทำอย่างอื่นไม่เห็ น, นจะหลับเลยนั่งดูทีวีไม่รู้กี่ชั่วโมงมันนั่งดูได้พอจะมาให้นั่งพุโทโธแค่ชั่วโมงเดี้ยวจะหลับเลยแล้วก็ตายแล้วอย่างนี้ก็อย่าไปทอย่าไปปฏิบัติเลย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 คำถามจากคุณแบงค์ข้อที่หนึ่งถ้าเราปล่อยปลาไปแล้วเราเห็นนกกระยางมากินปลาที่เราปล่อยจะบาปไหมครับนกกระยางไม่บาปเราไม่บาปหรอก ต, ตัวที่คนที่ฆ่าตัวที่ฆ่านันบาปตัวที่ไม่ได้ฆ่าไม่เลยบาปครข้อที่สองถ้าเราปล่อยปลาชนิดไหนแล้วเราห้ามทานปลาชนิดนั้นจริงไหมครับทําไมลนะ นอกจากว่าถ้าเราปล่อยปลาตัวนั้นแล้วเราไปจับปลาตัวนั้นมากินมันก็อย่าไปกินมันเสียเขาคงหมายความไว้ไงไหมปล่อยปลาตัวไหนแล้วอย่าไปจับมันมากินน้แต่ถ้าเป็นปลาตัวอื่นที่ตายแล้วจะกินก็ไม่เป็นไรในความหมายก็คือว่าอย่าไปฆ่าปลาเราปล่อยปลาแล้วเราอย่าไปฆ่าปลามากินถ้าเราอยากจะกินปลาก็ไปซื้อปลาที่ตายแล้วที่เขาฆ่าแล้วที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย คำถามจากคุณศรีตอนที่เป็นมนุษย์มีการทำงานหาเงินทองอยู่และยังเป็นนักบุญอยู่ควรทำทานให้ต่อเนื่องจนกว่าจะเป็นนักบวชคือสละทรัพย์ไปทั้งหมดแล้วจึงไม่ต้องทำทานส่วนศีลสมาธิปัญญาก็ทำ mm hmm. ต่อเนื่องทั้งนักบุญและนักบวชคิดอย่างนี้ถูกไหมคะถูกแต่ว่านักบุญมันจะได้ทำได้น้อยกว่านักบวชถ้าเป็นนักบวชมันก็จะมีเวลาเต็มที่ เป็นนักบวญมันก็มีเวลาน้อยเพราะยังต้องไปทํามาหากินยังไปเที่ยวไปเล่นกันอยู่เอาไปเป็นนักบวชก็ไ ม, ไม่ไม่ต้องทํามาหากินไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องเล่นนะให้รักษาสิจ่จยังสมาธิปัญญาตลอดเวลาคำถามจากคุณสิทิศักด พระที่อธิเป็นพระธาตุแสดงว่าพระธาตุนั้นเป็นพระอาหารหันต์ใช่ไหมครับใช่คำ <c oughs> ถามจากคุณพุทธคนทําอาชีพพุทธพาณิชย์เช่นตั้งสํานักสร้างจุทพยายามพระต่างๆ <c oughs> แล้วนําเงินบริจาคมาใช้ใจ่ายส่วนตัวอันนี้ถือว่าบาปไหมคะไม่บาปเรามันก็เป็นอาชีพอย่างเงนะี้ยขายพระก็เหมือนขายตกตาเนี่ย คนซื้อก็เหมือนกับไปซื้อตุ๊กตามาเท่านั้นเองแต่เชื่อว่าเป็นพระคิดว่าเป็นของมีอิทธิฤทธิปฏิหารซื้อมาแล้วปกป้องคุ้มครองรักษาบ้านไม่ให้ไฟไหม้ไม่ให้ขโมยขึ้นมันก็เป็นความเชื่อเท่านั้นแต่ความจริงมันก็เป็นตุ๊กตาเท่านั้นเองเป็นวัตถุที่ไม่มีความสามารถอะไรแม้แต่พระพุทธรูปยังรักษาตัวเองไม่ได้ถูก ถูกจดมาตัดเสียรไปขายในเยอะยะไงงั้เป็นเพียงวัตถุเป็นเหมือนตุ๊กตาเป็นสินค้ามเมื่อเขาทํามันไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ผิดจรรยาธรรมอะไรครับถามจากคุณคัสันีพ่อแม่ควรใช้หลักธรรมอะไรที่จะแนะนําเด็กรุ่นใหม่ให้ทันกับสื่อออนไลน์หรือกระแสสังคมเช่นสี่้ากาลามาสูตร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 สื่อต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเชื่อเพราะเข้าว่ายอย่างนั้นอย่าไปเชื่อเพราะคนนี้ก็เป็นอาจารย์อย่าไปเชื่อเพราะว่าเชื่อกันตามกันมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้เอามาพิสูจน์ดูก่อนคําถามจากคุณเกษราลูกสาวชอบทากับข้าวให้พ่อแม่กินเขาจะได้บุญไหมครับแล้วเราต้องอนุโมทนาบุญกับเขาไหมครับได้ก็ลูก ลูกทำหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นเป็นการกระทำที่ดีเป็นความกตัญญูกตวเวทีเราก็ควรจะอนุโมทนาแสดงความยินดีสนับสนุนเขาว่าออทำอานี้ไปนะดีแล้วคำถามจากคุณวาสนาลูกมีความสงสัยว่าถ้ามีคนตายสวดสามคืนนิมนต์พระสองวันสวดวัดละหนึ่งจบ แต่ตอนเช้าลูกหลานไม่นิมนต์พระมาฉันเช้าเลยแต่ไปใส่บาตรหน้าบ้านเพราะพระท่านเดินผ่านอยู่แล้วอย่างนี้คนตายจะได้บุญได้กินอาหารไหมคะเพราะที่ลูกเคยเห็นเขาจะต้องนิมนต์พระมาฉันอาหารเช้าแล้วถวายอาหารส่วนอุทิศให้คนตายค่ะออบุญทำกับใครก็ได้ทําบุญกับพระที่สวยก็ได้ทําบุญกับพระที่ไปบินธบารก็ได้มันก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นบุญที่เราอุทิศส่สงไปได้เหมือนกัน เหมือนกับไปโอนเงินาสาขานี้ก็ได้สาขานู้นก็ได้โอนไปมันก็ไปได้เหมือนกันเอไม่จําเป็นจะต้องโอนที่สาขาที่ <c oughs> อยู่อยู่ใกล้บ้านเราหรืออยู่ใกล้วัดอย่างเงี้ยคำถามจักคุณการชนาะเคยเข้าร่วมอ่านสาธายายพระไปติดดกแบบโดยบังเอิญสาธายายเป็นบาลีถ้าพระเจ้าอ่านบาลีแบบไม่ผิดเลยและรวมกลุ่มอ่าน ตามจนจบตามกําหนดใช่เป็นสัญญาเดิมตัวที่ติดมาหรือเปล่าคะก็อาจจะมีสติดีมั้งอ่านหนังสือแล้วไม่ไม่ผิดเลยแสดงว่ามีสติถ้าไม่มีสติสตังนี้อ่านผิดผิดถูกๆูใช่ไหมอ่านไปใจก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยอ่านผิดไปอ่านไม่ถูกก็ได้แต่ถ้ามีสติจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือทุกตัวนี่มันก็จะอ่านได้ถูกต้อง หมดแล้วเหรอห น, นี่สัญญาณหลุดอ่ะสัญญาณหลุดเนี่ยตั้งต่อใหม่เลยหร้อว่าหมดไม่เห็นค่ะมันไม่ขาดใช่ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอให้ขึ้นมาก่อนก็ได้ช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศไม่ดีสัญญาณมันก็เลยมีปัญหาได้ถ้าใครอยากจะถามอะไรไหมตอวนี้ มีมาด้วยกันนะเรือ่องกอนแล้วไบอกมาเจ็ดคนหายไปไหนหมดลอะอไปรอที่อ่ากลัวรบอ่าเด็กอยู่รออ่ายังไงมาคุ้มเหนื่อยไม่มาต้องไกลอ่ค า, า, าคุ้ ม, มเลยอ่าโัรตีด้วยทางทางทางเน็ตอ่า กมีอะไรถามได้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวกลับไปแล้วจะไม่ได้ถามอยู่บ้านน้อก็ราถามทางเลยต้องมากเลยใช้ชื่ออะไรนะน้ำปนเลยมาอย่างน้องถามจากคุณแถวนะคะทําบุญตอนอารมณ์ไม่ดีจะได้บุญไหม่ครับได้ทําเวลาไหนก็ได้เพราะเวลาทําแล้วอารมณ์มันก็จะดีเอง คำถามจากคุณเปิร์ น, นหลวงปู่สิมบอกว่าการสวดมหาสมัยสูตรเป็นมงคลเทวดาจะมาอนุโมทนามีมีนี้เรามีฐานะปุถุชนข่าเราสวดชิมลุมเทวดา <c oughs> ต่อด้วยมหาสมัยสูตรต่อด้วยธรรมจักรกับปวสูตรและมักมีองแตกจะมีเทวดามาอนุโมทนาและฟังธรรมที่เราสวดให้ฟังหรือเปล่าคะ อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราคนสวนต้องรู้เสียสวนแล้วถามเทวดามาฟังมั่งก็วงปากเนี่ยคมถามจากคุณขวัญถ้าการทำบุญใส่บาทแล้วไม่ได้กวดน้ำจะถึงผู้ตายไปไหมคะเคย อ, อุทิศบุญนี่ไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ไม่มีให้อุทิศภายในใจพอทำบุญแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานม่า ข อ, อที่โอทิตบุญส่วนนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเขาก็ได้รับแล้วถ้าเขารอรับอยู่ไม่ต้องมีน้ำคำถามจากคุณสัญญาผมเคยบวชมาแล้วสองครั้งครั้งแรกปีสี่ศูนย์ใช้ลาบวชสามเดือนปฏิบัติตลอดสมาธิอีมากสึกมาหนึ่งถึงสองเดือนสมาธิก็เสื่อมแต่ก็นั่งมาตลอดบ้างน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้าง ปีห้าเจ็ดพักร้อนไปบวชอีกสิบห้าวันวัดเดิมก็ปฏิบตัติแต่มีปัญหากระดูกเขา่ายมห ม, มอห้ามนั่งยอยองอและคุกเขา่าปีหกหนึ่งผมกเกษียณอายุราชการอยากบวชอีกแต่เกรงจะปีหกหนึ่งหรือห้าหนึ่งวะนี่ไม่นี่แค่ห้าเก้าเนาะปีห้าหนึ่งผมกเกษียณอายุราชการอยากบวชอีกแต่เกรงจะปฏิบัติผิดไม่ได้ครบ เช่นลงปฏติโมหรือเดินเท้า ไ, ไกลๆทึกเข่านานๆอยากขอคาแนะนำจากพระอาจารย์ครับว่าควรเลือกวิธีไหนปฏิบัติอยู่บ้านหรือลุยบทไปเลยถ้าบวชแล้วไม่สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ก็อย่าไปบวช ด, ดีกว่าเพราะมันจะทำให้เราด่างเราทำให้มันไม่สำเร็จผลเนะี่ยเราก็ควรที่จะปฏิบัติในเพศคารวาสไปก็ดีกว่า ว่าเป็นค า, ารวะมันก็สามารถที่จะทําอะไรได้สะดวกสบายกว่าง่ายกว่าการเป็นพระการเป็นพระนี่มันต้องมีความสํารวมต้องมีการกระทําอะไรที่เหมือนๆกันพอเราไปอยู่กับเขาแล้วเราทําอะไรไม่เหมือนกันมันก็จะทําให้เกิดความแตกแยกสามัคคีได้ เนถ้าเราไม่สามารถตามปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพระได้ก็อย่าไปบวช ด, ดีกว่าปฏิบัติที่บ้านหรือปฏิบัติที่วัดแต่ไปนุ่งขาวห่มขาวแทนนั่แหละมีใครอยากจะถามยังไหมดังๆหน่อยนะ อาอไม่จําเป็นแล้วควรจะสวดภายในใจจะดีดกว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็จิตจะาไม่ไม่ต้องทํางานมากสวดไปภายในใจจิตจะส ง, สงบได้งได้มากกว่าการสวดด้วยการออกเสียง<ม>นอกจากว่าเราไปอยู่กับไปอยู่ที่เขาสวดออกเสียงเราก็ต้องออกเสียงไปกับเขาถ้าเราอยู่คนเดียวก็ไม่ควรที่จะออกเสียงพราะหนึ่งจะไปรบกวนชาวบ้านเขา้าเปล่า<ม>สองทาให้จิตเราต้องใช้ ต้องทำงานต้องบังคับให้ร่างกายออกเสียงจิตก็จะต้องยังต้องทำงานอยู่แต่ถ้าเราสวนโดยที่ไม่ต้องออกเสียงจิตก็ไม่ต้องไปทำงานบังคับให้ร่างกายออกเสียงจิตก็จะนิ่งได้มากกว่าสงบได้มากกว่าบอกแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา